ขันหกับอุปาทา น, นขันหหรือชีวิตกับชีวิตซึ่งเป็นปัญหาในพุทธพจน์แสดงความหมายของอริย ส, สัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ประมวลใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนามีข้อความที่น่าสังเกตเป็นพิเศษเกี่ยวกับขันหปรากฏอยู่ในอริย ส, สัจข้อที่หนึ่งคือข้อว่าด้ยทุก ในอริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งนั้นตอนต้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงความหมายหรือคำจงกัดความของความทุกข์ด้วยวิธียกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่มองเห็นได้ง่ายและมีอยู่เป็นสามัญในชีวิตของบุคคลขึ้นแสดงว่าเป็นความทุกข์แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ในตอนท้ายพระองค์ตรัสสรุปลงเป็นข้อเดียวว่าอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายนี้คือทุกขอริยสัจความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยยอ่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ พุทธพจน์นี้นอกจากแสดงถึงฐานะของขันห้าในพุทธธรรมแล้วยังมีข้อสังเกตสำคัญคือความหมายของทุกนั้นจําง่ายๆด้วยคำสรุปที่สั้นที่สุดว่าคืออุปาทานะขันห้าหรือเบญจอุปาทานะขันเท่านั้นและคำว่าขันในที่นี้มีอุปาทานนำหน้ากำกับไว้ด้วย สิ่งที่ควรศึกษาในที่นี้ก็คือคำว่าขันหรืออุปาทานขันซึ่งขอให้พิจารณาตามพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเรจาจะแสดงขันห้าและอุปาทานขันห้าเธอทั้งหลายจงฟังขันห้าเป็นชไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามสามก็ตามประนีตก็ตามไกลหรือใกล้ก็ตามเหล่านี้เรียกว่าขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นชนหนรูปเวทนา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 ที่ประกอบด้วยอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานนขันห้าภิกษุ์ทั้งหลายต่อจากแสดงธรรมทั้งหลายจึงเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานและตัวอุปาทานเธอทั้งหลายจงฟังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะคือความชอบใจจนติดหรืออยากอย่างแรงจนยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นคืออุปาทานในสิ่งนั้นๆหลักดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการศึกษาพุทธธรรมต่ อ, ตอไป